จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ย5ห้ามกราคมพุทธศักราช2557าหสเจเป็นวันที่ท่านทั้งหายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา หาความรู้ที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความดับทุกข์เพราะพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ดับความทุกข์ทั้งหลายหมดไปจากพระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำเอาวิธีการดับทุกข์ มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีการดับทุกข์ที่แท้จริงที่ยังต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะขาดความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้การมาวัดก็เพื่อที่จะได้มาศึกษามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปใช้กับใจของเราไว้ดับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาถ้าเรามี ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราแล้วเราก็จะมีน้ำดับไฟไฟของความทุกข์ที่คอยเผาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมะไม่มีคำสอนอยู่ในใจ มีอยู่ในหนังสือมีอยู่ในแผ่นซีดีแต่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาคำสอนที่อยู่ในหนังสืออยู่ในแผ่นซีดีนี้จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ความคำสอนของพุทธเจ้าที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้นี้ จะต้องอยู่ภายในใจของเราเราจึงต้องดึงคำสอนออกจากหนังสือออกจากแผ่นซีดีเอาให้เข้ามาสู่ภายในใจของเราให้ได้วิธีที่จะดึงคำสอนให้เข้ามาอยู่ในใจก็คือต้องดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในใจของเราตอนนี้ ชอบออกไปข้างนอกชอบออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโพชภัพฑ์นิด ต, ต่างๆที่จะเอาเข้ามาเผาใจของเราสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารับรู้นี่พอเรารับเอาเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นไฟ เขาใจของเราเพ่ามันเป็นเหมือนเชื่อเพลิงไฟนี่เรามีอยู่แล้วอยู่ภายในใจหรือเชื่อเพลิงเรามีอยู่แล้วอยู่ภายในใจส่วนรูปเสียงกลิ่นรสผุ ด, ดพภพนี้เป็นเหมือนไฟพอเราเอารูปเอาเสียงกดลดิ่นรสเอาผุดภพเข้ามาในใจ ไฟเมื่อมาพบกับเชื้อของไฟคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพอทั้งสองได้มาเจอกันเชื้อไฟกับไฟมันก็จะทำให้เกิดไฟลูกโหมขึ้นมาเราไม่มีธรรมะไม่มีน้ำดับไฟเพราะเราไม่ดึงธรรมะเข้ามาสู่ภายในใจของเรา วิธ th ีที่จะดึงธรรมะเข้ามาสู่ภายในใจของเราเราก็ต้องดึงด้วยสติดึงใจให้เข้ามาข้างในแล้วก็ดึงธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้ามาข้างในใจของเราเริ่มต้นเราต้องดึงใจให้เข้ามาก่อนพอเราดึงใจเข้ามาได้แล้วเราก็ดึงธรรมะเข้ามาดึงคําสอนเข้ามาอีกทีหนึ่ง แล้วเราก็จะได้มีธรรมะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้คอยดูแลรักษาใจของเราให้สงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราดึงใจเข้ามาแล้วเราก็จะไม่สนใจกับเรื่องราวต่างๆภายนอกเรื่องราวต่างๆจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราคืออะไรเรื่องของเราก็คือความทุกข์กับความสุขภายในใจของเรานี้เองใจเราทุกข์เพราะเราออกไปหาเรื่องไปดึงเรื่องเข้ามาทำให้ใจของเราทุกข์ใจของเราสุขก็เพราะว่าเราไม่ดึงเรื่องต่างๆเข้ามาภายในใจของเรานั่นเองนี่คือปัญหาของพวกเรา กเราชอบดึงเรื่องราวต่างๆเข้ามาเผา อ, อกเผาใจเราเพราะคิดว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเรามีส่วนที่จะทำให้เรื่องราวต่างๆนั้นดีขึ้นแต่เราไม่มองความจริงกันว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะไปทาเรื่องราวต่างๆให้มันดีขึ้นได้ ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เพราะเรื่องราวต่างๆนั้นเขาก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา mm. พอเราไปอยากจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราเราก็เลยเกิดความวุ่นวายใจ mm. เกิดความร้อนใจ mm. เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของเรานั้นเกิดจากการที่เราไปวุ่นวายกับเขาเองถ้าเราไม่ไปวุ่นวายปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจจะไม่มีความทุกข์ใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ทำให้เราต้องทุกข์ใจหรือไม่สบายใจ ดังนั้นเราจึงต้องพยายามดึงใจของเราให้เข้าสู่ข้างในแล้วพอใจเข้าข้างในแล้วเราก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนใจอยู่เรื่อยๆสอนให้เราเห็นความจริงของโลกนี้ว่าเป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นโลกของธรรมชาติที่เราไม่สามารถ ที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางเวลาเราก็สั่งได้บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้เวลาที่สั่งไม่ได้ก็จะเป็นเวลาที่เราต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องโหมร้องไห้ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าบางทีเราก็สั่งไม่ได้พอเราสั่งไม่ได้เราจะได้ ทำใจได้ว่ามันเป็นเรื่องของสุดวิสัยเช่นเราสั่งให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เช่นตอนนี้อากาศหนาวเราไปสั่งให้อากาศนี้ไม่หนาวไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้อากาศนี้ไม่หนาวเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรา ไม่ไปสั่งไม่ไปอยากให้อากาศนี้ไม่หนาวปล่อยให้อากาศเขาเป็นไปตามเรื่องราวของเขาเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนี้เองเพราะทุกสิ่งทีกอย่างก็ทำมาจากดินฟ้าอากาศทำมาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟ ร่างกายของเราก็มาจากดินน้ำลมไฟร่างกายของคนอื่นก็มาจากดินน้ำลมไฟเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นเหตุการณ์ของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรไปเลยโลกนี้ทั้งโลกทั้งใบก็มีแต่ดินน้ำลมไฟแต่เราไม่ฉลาดเราไปหลงไปคิดว่ามีสัตว์มีบุคคล มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วก็ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราเราก็อยากอยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นอันนานแต่เราไม่รู้ความจริงว่าไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปได้ตลอดมีมาแล้วก็ต้องมีไปเวลาได้มาก็อยากจะให้อยู่ไม่อยากให้ไป ก็จะเกิดความเครียดเกิดความไม่สบายใจเกิดความวิตกเกิดความกังวลต่างๆแล้วในที่สุดมันก็จากเราไปอยู่ดีแม้ว่าเราจะเครียดเราจะวิตกเราจะห่วงเราจะหวงอย่างไรก็ไม่สามารถยับยั้งให้สิ่งต่างๆที่เราได้มาเป็นสมบัติของเรานี้จะต้องจากเราไปในที่สุด หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปในที่สุดนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆทั้งหลายในเรื่องนี้ที่เรามองไม่เห็นกันเรากลับไปมองว่าเป็นศัตว์เป็นบุคคลเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นของเราต้องอยู่กับเราไปตลอด ร่างกายเป็นของเราร่างกายจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเราไม่เคยคิดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องจากเราไปทั้งหมดเพราะเวลาที่เรามาเกิดในโลกนี้เราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเราตายจากโลกที่แล้วพบที่แล้วพบที่แล้วเราก็มีร่างกายมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง มียาตสดุทมิตสหายมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่พอร่างกายของเราตายไปเราก็เอาอะไรมาไม่ได้เลยมาแต่ใจมาแต่ดวงวิญญาณแล้วก็มาได้ร่างกายอันใหม่ที่อยู่ในท้องของแม่แล้วก็ ออกมาจากท้องของแม่พอมาโตมารู้เรื่องรู้ราวก็มามายึดมาติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ใหม่ยึดติดกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องไม่เคยศึกษาเลยว่าพ่อแม่พี่น้องนี้เขาเป็นอะไรทำมาจากอะไรร่างกายของเขามาจากที่ไหนเราจะไปสู่ที่ไหน ไม่เคยศึกษาไม่เคยสมใจที่จะเรียนรู้เพียงแต่คิดว่าเขาเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาเป็นพี่เขาเป็นน้องเขาเป็นสามีเขาเป็นภรรยาเขาเป็นร่างกายของเราเขาต้องอยู่กับเราไปตลอดอันนี้เป็นความโงกเขาเบาปัญญาถ้ามาศึกษาแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายของทุกๆกคนเป็นเพียงอาการ3 2 เช่นมีเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้ามเป็นหัวใจเป็นตับเป็นปอดเป็นไส้น้อยไส้ใหญ่เป็นเยื่อในสมองศีรษะเป็นน้าชนิดต่างๆน้ำดีน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ามันเหลวน้าลายน้าลูกน้าไขข้อน้ามูด เป็นแต่ของอาการต่างๆที่ได้มาจากการรับประทานอาหารเข้าไปรับประทานอาหารอาหารก็มาจากอะไรอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟพอเข้ามาในร่างกายก็กลายเป็นผมขนเลืกฟันไปกลายเป็นอาการ32สองไปแล้วพอร่างกายนี้ตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปใหม่ ร่างกายตายไปลมก็ออกไปไฟก็ออกไปร่างกายก็เย็นร่างกายของคนตายกับร่างกายของคนที่ไม่ตายนี้ไม่เหมือนกันลองไปจับดูจะรู้ว่าร่างของายของคนตายนี่เย็นเฉียบส่วนร่างกายของคนที่ยังไม่ตายนี้ไม่เย็นยังมีความอบอุ่นอยู่เพราะยังมีธาตุไฟอยู่ในร่างกาย แต่พอร่างกายตายไปแล้วไฟก็ออกไปลมก็ออกไปน้าก็ไหลออกมาแล้วเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินมันก็แห้งกรอบแล้วก็เปื่อยแล้วก็กลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นที่ดา เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเป็นเพียงอาการ32สิบสองเป็นเพียงบินน้ำหล่นไฟผู้ที่มาเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือใจหรือดวงวิญญาณผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายคิดสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำนั่นทำนี่ แต่ผู้ที่สั่งไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นเหมือนคนขับรถคนขับรถก็สั่งให้รถวิ่งไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังแต่คนขับรถไม่ใช่เป็นรถยนต์คนขับรถมาขับรถใจก็มาขับร่างกายนี้แล้วก็ได้รับตำแหน่งได้รับสมมติต่างๆให้เป็นพ่อให้เป็นแม่ให้เป็นพี่ให้เป็นน้อง ให้เป็นสามีให้เป็นภรรยาอันนี้เป็นเพียงชื่อที่เขาติดไว้ที่ร่างกายของเราเช่นชื่อนี้ชื่อแม่ชื่อนี้ชื่อพ่อร่างกายนี้เป็นพ่อร่างกายนี้เป็นแม่แต่ร่างกายพ่อหรือร่างกายแม่ร่างกายของลูกหรือร่างกายของใครมันก็เหมือนกันหมดมันก็มีอาการ 2, ส2 ส, สองเหมือนกันหมดทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมด แก่เจ็บตายเหมือนกันหมดกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดอันนี้แหละคือสิ่งที่เราควรจะศึกษาควรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้รู้ความจริงตอนนี้เรารู้ความจริงเพียงเครื่องเดียวคือความจริงที่เรียกว่าสมมติความจริงที่ไม่ใช่สมมตินี่เราไม่รู้กันเราเห็นร่างกายคายปับ๊บเราจะต้องคิดทันทีว่า เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ชื่อนั้นชื่อนี้มีตำแหน่งมีฐานะอย่างนั้นมีฐานะอย่างนี้ไม่เคยดูความจริงของเขาเลยว่าเขาเป็นเพียงอาการสาสสองที่จะต้องแก่เจ็บตายกลับคืนไปสู่ดินน้หลมไฟไปในที่สุดไม่มีใครมายับยัง้งมาห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ ถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลไม่ต้องมาห่วงกับร่างกายของคนนั้นของคนนี้ห่วงยังไงเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ห่วงมันก็แก่เจ็บตายห่วงมันก็ทุกข์ไม่ห่วงมันก็ไม่ทุกข์ทุกวันนี้พวกเรามาหามาสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยโดยไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ไม่สามารถไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ก็ยังอดที่จะห่วงไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายไม่ได้ห่วงไปแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือการมาศึกษามาหาความรู้เพื่อที่จะได้มาสอนใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ การที่เราจะไม่ทุกกับเรื่องราวต่างๆเราต้องเห็นความจริงตลอดเวลาเวลาใดที่เราไม่เห็นไม่มองความจริงเวลานั้นเราก็จะไปมองความความไม่จริงเราก็จะทุกขึ้นมา ท, าทันทีทุกครั้งที่เราเห็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครเราต้องมองให้เห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32ที่จะต้องแก่เจ็บตายไปนท้ท่สุด คนที่มาครอบครองร่างกายนี้เขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้พ่อที่มาครอบครองร่างกายของ language, พ่อแม่ที่มาครอบครองร่างกายของแม่นี้ตัวเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปเขาก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่หรือถ้าเขาได้ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นพระพุทธเจ้าถึงขั้นพระอรหันต เขาก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเขารู้ว่าการไปมีร่างกายอันใหม่นี้ก็เป็นการไปสร้างความทุกข์รอบใหม่ขึ้นมาเพราะจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อีกถ้าเบื่อไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตายก็หยุดไปหาร่างกายอันใหม่ก็มีเท่านั้นเองถ้าไม่มีร่างกายใหม่ก็ไม่มีความทุกข์ใหม่ ถ้ามีร่างกายแต่มีความรู้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายปล่อยให้ร่างกายเป็นไปเหมือนกับเราปล่อยดินฟ้าอากาศเราไม่ทุกกับดินฟ้าอากาศเพราะเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราแต่ทําไมากับร่างกายของคนนั้นคนนี้หรือของเราเราทําไมากลับไปมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เป็นดินน้ำลมไฟ มันก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศนี่เองมีเราต้องปรับความเข้าใจใหม่ขอให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นดินน้ำลมไฟที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวลมหนาวก็พัดเข้ามาเดี๋ยวลมร้อนก็พัดเข้ามาก็ปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เราก็ไม่เกิดร้อนเราก็อยู่กับเขาได้ฉันใดเรื่องของคนก็เหมือนกันเรื่องของร่างกายของคนก็เป็นอย่างเดียวกันมาเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันแต่คนที่มาควบคุมมาสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อของเราไม่ได้ตายแม่ของเราไม่ได้ตาย พี่น้องของเราไม่ได้ตายสามีภรรยาของเราไม่ได้ตายบุตริดาของเราไม่ได้ตายตายแต่ร่างกายของเขาที่เป็นเหมือนเปลือกตัวเขาไม่ได้ตายตัวเขาก็ไปต่อตามบุญตามบาป ท, ที่เขาทำเอาไว้นี่คือธรรมะที่เราควรจะสอนใจเราอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีความรู้อยู่นี่อยู่คู่กับเราไปตลอดเวลา เราจะไม่ทุกข์กับใครเลยเพราะเราจะเห็นอนาคตของทุกๆร่างกายของทุกคนว่าในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปด้วยกันทั้งนั้นแล้วสมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆที่หามาได้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดของสมบัติต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครเอาไปได้เป็นสมบัติผัดกันชน เรามาเกิดเรามาหาสมบัติหาข้าหาของต่างๆพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ทิ้งให้คนอื่นไปอันนี้แหละเรื่องที่เราต้องคอยมันสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่หลงไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจ ะ, จะเจริญหรือเสือ่อม จะมาหรือไปจะไม่เป็นปัญหาอะไรดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆวิธีจะสอนใจเราก็ต้องดึงใจให้เข้าข้างในถ้าใจอยู่ข้างนอกใจก็จะไปหลงกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆก็จะไม่มีเวลามาสอนใจเราต้องดึงใจให้เข้ามาข้างในดึงใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็สอนใจได้เหมือนกับเวลาเราจะสอนใคถ้าเขาไม่ฟังเราเราพูดไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆเช่นเราพูดไปเขาก็เดินไปทำนู่นทำนี่ไม่รับรู้สิ่งที่เราพูดพูดไปก็เหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขก็ เ, เห็นสุนัขเวลาเราเทน้ำใส่หลังสุนัขเทลงไปปักมันก็สะบัดทิ้งหมดเลย มันไม่รับเอาไว้เลยฉันใดการที่เราจะสอนใจให้รู้เรื่องรู้ราวกับเรื่องราวต่างๆได้เราต้องดึงใจให้เข้าข้างในก่อนต้องดึงใจด้วยพุโทโธพุธโทโธดึงเข้าไปจนใจนิ่งใจสงบพอใจสงบรับรู้ได้เราก็สอนใจได้ว่าว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอสอนแล้วใจก็จะจาได้ พอต่อไปเห็นอะไรก็จะไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเดี๋ยวนี้กลับเห็นว่าเป็นเพียงอาการส2สองเห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วเวลาเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเขาไม่ได้เป็น สิ่งที่เป็นเป็นเพียงร่างกายเท่านั้นเองเป็นดินน้ำลงไฟนี่คือการสอนใจให้ฉลาดให้มีความรู้ที่จะมาช่วยดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปงั้นขอให้เราพยายามดึงใจเข้าข้างในทำใจให้สงบแล้วพอใจสงบแล้วเราก็สอนใจให้รู้เรื่องราวต่างๆได้ ตอนนี้เราสอนไม่ได้เพราะใจไม่ยอมฟังใจอยากจะไปหาเรื่องนั่นเรื่องนี้อยากจะไปหาคนนั่นคนนี้อยากจะไปหาสิ่งนั่นสิ่งนี้เลยไม่สนใจที่จะรับรู้ว่าสิ่งที่ตนไปหานั้นเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปในที่สุดถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหาไปได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไป เราจะไปหามาให้เสียเวลาทำไมจะไปหาภรรยาหาสามีมาทำไมไปหาลูกหาหลานมาทำไมหามาเพื่อมาให้เศร้าโศกเสียใจในภายหลังเวลาที่เขาจากเราไปถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเราก็จะได้ไม่มีอะไรให้เราต้องมาเศร้าโศกเสียใจนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจ ถ้าสอนอยู่เรื่อยๆไม่ลืมต่อไปเราก็จะไม่ต้องมีอะไรไม่อยากได้อะไรพอเราไม่มีอะไรเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรนี่คือวิธีดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าตอนต้นพระพุทธเจ้าก็มีลูกมีภรรยาท่านก็ทิ้งไปไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปสอนใจให้ฉลาดไม่ให้ไปหลงไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอใจฉลาดรู้ทันแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้มาแล้วก็ต้องเสียไปได้มาแล้วก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจก็เลยไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรก็เลยไม่มีความทุกข์ใจอีกต่อไปนี่คือวิธีดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงนำเอามา เผยแผ่สั่งสอนให้แกบพวกเราขอให้พวกเรานําไปปฏิบัติพยายามหมั่นสอนใจเรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วจะต้องเสียไปไม่มีจะดีกว่าถ้าเราสอนได้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไปน่าจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่อีกต่อไปด้วย จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาความรู้ที่พุะเจ้าทรงรู้ที่ได้ทำให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอสดเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันาสุขภาระโดยทั่วหน้ากาันเทอ